ตอนเรื่องนี้มิใช่แกงบวรนความหมายคำว่ามงคลก่อนที่จะว่ากันในเนื้อหาของเรื่องต่อไปขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดความลังเลใจแก่ผู้อ่านบางท่านเสียก่อนข้าพเจ้าพอจะทราบอยู่เหมือนกันว่าท่านผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มหนุ่มสาวสาวและคนที่หันเข้าศึกษาพระพุทธศาสนา ในความรู้สึกที่ว่าตนเป็นคนหัวใหม่และการศึกษาศาสนาในแง่เหตุผลเท่านั้นคนสามประเภทนี้พอได้ยินเอ่ยถึงคาว่ามงคลจะรู้สึกเหมือนกับถูกใครเชิญให้รับประทานแกงบวนอย่างนั้นแหละรู้สึกเลี่นเลี่ยนแล้วก็คิดว่าคงจะทานไม่ได้สักกี่คาพอได้ยินคำว่ามงคลใจก็นึกวาดภาพไปว่า คงจะเป็นเรื่องอภินิหารเรื่องมหัศจรรย์ลมลมแรงแ้ ง, แงมีการปลุกเสกว่าคาถาลงขมมซึ่งค่อนข้างจะเห็นว่าเป็นเรื่ององมงายเลยหลวไหลทั้งนั้นถ้าท่านผู้อ่านรู้สึกอย่างนี้แล้วก็จะไปด้วยกันไม่สนุกและข้าพเจ้าก็จะรู้สึกเสียใจมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในหนังสือนี้เป็นหลักเหตุผลและไม่มีข้อใดเลยที่จะง่วงเหนียว ท่านผู้อ่านให้ถอยกลับไปสู่สภาพอันล้าสมัยโปรดอ่านต่อไปและพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองแต่ข้าพเจ้าก็จะไม่ตำหนิที่ถ้าใครจะเกิดความรู้สึกท้อใจนิดๆเมื่อได้ยินคำว่ามงคลเพราะรสของภาษ า, าษาพาให้รู้สึกเช่นนั้นแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าเรื่องมงคลน่าจะเป็นเรื่องจารึกใส่ใบลาน หรือสมุดข่อยมากกว่าที่จะเอามาพิมพ์เป็นหนังสือเล่มปกรูหรูอย่างนี้มันเป็นความเข้าใจผิดได้ยินแต่ชื่อว่าเพชรเพชรนึกว่าเหมาะสำหรับคนโบราณเท่านั้นดูเข้าจริงๆแล้วสาวัยทินเอทดนี่แหละสวมแหวนเพชรเข้าแล้วก็ยิ่งพริมพร้มเปล่าน่ารักไม่ใช่หน้อย พูดถึงความรู้สึกของคนต่างวัยกับรถภาษาเห็นจะต้องพูดต่อไปอีกหน่อยเพื่อปรับความเข้าใจที่ยังคว้ยเขวือกันอยู่ทำให้ไม่สะดวกใจในการอ่านการฟังพวกหนุ่มๆสาวๆอ่านหนังสือคนแก่เข้าหน่อยชักตาปรือเหมือนถูกกล่อมส่วนคนแก่พออ่านบทความหรือภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ ท่านก็สายหน้าเอาภาษาสำนวนอะไรไม่รู้มาพูดกันท่านที่เป็นนักปราชทางภาษาและติดอารมณ์ร้อนหน่อยก็ถึงกับเอากำปั้นทุบหัวเข่าตัวเองเดือดดานคนใช้ภาษาไทยไม่เป็นและสงสารภาษาไทยที่ถูกบังคับข่มเหงให้เข้าประโยคไม่เป็นภาษาอย่างนั้นตกลงว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างก็เวียนศีรษะด้วยกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะรถของภาษาและวัยของคนพูดง่ายๆภาษาที่เราเขียนกันทุกวันนี้มันมีสองประเภทคือภาษาตำรากับภาษาตลาดภาษาตำราเป็นภาษาหลักแต่ละคำมีความหมายอยู่ในตัวอย่างแน่นอนการแต่งตำรับตำราก็ดีการพูดเป็นการเป็นงานก็ดีการเขียนเอกสารสำหรับราชการบ้านเมืองก็ดี เขีหลักฐานที่เป็นสัญญาและหลักประกันข้อตกลงก็ดีเรานิยมใช้ภาษาตำราเพราะแต่ละคำใช้กันมาหลายชั่วคนแล้วเป็นคำคู่บ้านคู่เมืองก็ว่าได้ส่วนคำที่เป็นภาษาตลาดได้แก่คำพูดที่เกิดจากสัมนวนพูดของคนฮือกันเป็นพักๆแล้วก็สงบไปอย่างเช่นเมื่อ20สปีก่อนเราชอบพูดคำคำหนึ่ง คือคำว่าเตยเป็นคำชมว่าสวยหรือดีนักถ้าใครถามว่าผู้หญิงคนนั้นสวยไหมคนตอบบอกว่าเตยเลยก็หมายความว่าสวยเด่นเกินที่จะพรรณนา น, านักโต ว, วาทีคู่นั้นใครเป็นเตยทำข้อสอบคราวนี้เตยเลยพวกประกวดธงก่อพระเจดีไซน์ทงใครเตยวะ นี่คำตลาดสมัยหนึ่งแต่เวลาต่อมาก็ล้มหายตายจากไปต่อมาคนดูเขานิยมใช้คำว่าแน่แทนสวยแน่ไปเลยพูดแน่ไปเลยตลกแน่เลยแล้วคำนี้ก็ดับศูนย์ตามกันไปต่อมาได้ยินเด็กๆพูดกันอีกคำหนึ่งคือคำว่าจมดูเหมือนจะหมายความว่ามากหรือถนัด เขาว่าคนดูมวยนัดนี้จมเลยทำการบ้านผิดจมเลยบางทียังแถมบอกด้วยว่าจมก้นบ่อเลยคำพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาษาตลาดเพราะนิยมกันเป็นพักๆแล้วก็เบื่อกันเป็นคราวๆเหมือนกับราคาของในตลาดขึ้นขึ้นลงๆถ้าจะเปรียบภาษาตำรากับภาษาตลาด กับต้นไม้ชนิดต่างๆภาษาตำราเหมือนกับต้นไม้ยืนต้นส่วนภาษาตลาดเหมือนกับต้นไม้ลมลุกคือต้นไม้งอกขึ้นจากพื้นดินมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือประเภทไม้ยืนต้นเป็นต้นไม้เนื้อแข็งเช่นต้นสักตะเคียนเต็งรังและประดูเป็นต้นแต่ละต้นอายุยืนๆทั้งนั้น อีกประเภทหนึ่งไม้ลมลุกเนื้อยุ่ยเกิดง่ายตายเร็วเช่นกุหลาบทานตะวันรักเร่และมาริวันเป็นต้นต้นไม้สองชนิดนี้ดีคนละทางไมา ย, ยืนต้นผิวครุกระกิ่งก้านก็เก่งก้างลำต้นสูงโย่งตรงเตงแต่เนื้อแข็งทนทาน เราสร้างบ้านสร้างเมืองกันด้วยไม้ชนิดนี้ส่วนต้นไม้ลม้มลุกเอาอะไรเป็นแก่นสารนักไม่ได้แต่แต่ปลูกไว้ข้างเรือนดูเล่นยินยินตาเท่านั้นจะใช้ปลูกสร้างอะไรใหญ่โตไม่ได้ความรู้สึกทางจิตใจของคนเมื่อพบเห็นต้นไม้เหล่านี้ก็มีอาการต่างกันถ้าสมมุติว่าคนหนุ่มหนุ่มสาวๆกับคนปูนผู้ใหญ่แล้ว นั่งรถผ่านป่าไปด้วยกันซึ่งมีดงไม้ใหญ่ปะปนด้วยพุ่มไม้ดอกงามๆบ้านอยู่ตาระดาษผู้ใหญ่จะสนใจกับต้นไม้ใหญ่ยืนต้นมากกว่าพุ่มดอกไม้นั่งวาดภาพไปทีเดียวว่านี่เหมาะที่จะทำเสานั่นเหมาะที่จะทำรอดทำตรงหน้าซื้อหน้าขาย แต่ฝ่ายเด็กๆซึ่งไม่เคยเผชิญปัญหาปลูกบ้านปลูกเรือนจะสนใจกับกอไม้ดอกไม้มากกว่าดอกเหลืองนี่สวยกว่าดอกแดงดอกสีแสดโนนก็ดีเหมือนกันอุ๊ยตายนั่นกำลังตูมรวมความว่าเด็กๆชอบไม้ลมลุกส่วนผู้ใหญ่ชอบไม้ยืนต้นทำนองเดียวกันผู้ใหญ่ชอบถ้อยคำสำนวนเป็นภาษาตำรา แต่เด็กเกลียดคำตำราหันไปสนใจกับภาษาตลาดเรื่องนี้เป็นเหตุผลทางจิตใจไม่ใช่ของแปลกและด้วยเหตุผลทางจิตที่ว่ามาแล้วนี้ทำให้ท่านผู้อ่านหนังสือนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวรู้สึกหัวใจและตาปลือลงไปบ้างไม่ได้ยินคำว่ามงคลและพอรู้ท่าว่า หนังสือนี้จะบรรจุด้วยเรื่องมงคลก็เลยคิดจะโยนเข้าตู้เอาไว้อ่านเมื่อแก่หรือไม่ก็คิดจะเอาไปฝากคุณยายที่นิคมบางแคต่อไปถ้าใครคิดเช่นนั้นก็น่าเสียดายภาษาทำเหตุแท้เทียวเหมือนคนอยากได้ทองคำเดินหาทองคำเกือบเป็นเกือบตายแต่พอเห็นหอที่เขาติดป้ายบอกไว้ว่าหอสุวรรณ กลับโยนทิ้งเสียซึ่งที่แท้แล้วสุวรรณในหอก็คือทองคำที่ตัวกำลังต้องการนั่นเองขอให้เราเสียเวลาสักสองถึงสนาทีเพื่อศึกษาความหมายของคำว่ามงคลให้แน่นอนสักทีคำว่ามงคลมงคล น, นี้ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยแท้ๆดูจะหาคำแปลที่ตรงตัวยากสักหน่อยแต่ความหมายทางภาษาไทยมีแยะ มงคลหมายถึงเหตุที่ทำให้คนเจริญขึ้นมีฐานะดีขึ้นมีวิชาความรู้ดีขึ้นมียศมีตำแหน่งสูงขึ้นได้บรรลุความสำเร็จแห่งความปรารถนาสมบูรยิย่งขึ้นรวมความว่าวิธีปฏิบัติตนให้ชีวิต จ, จิตใจมีความสุขความเจริญขึ้นมีฐานะดีขึ้นมีวิชาความรู้ดีขึ้นมียศมีตำแหน่งสูงขึ้น ได้บรรลุความสำเร็จแห่งความปรารถนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นวิธีปฏิบัติตนให้ชีวิตจิตใจมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เป็นความหมายของคำว่ามงคลทั้งนั้นแต่ข้าพเจ้าเองเขียนเองอ่านเองแล้วก็ยังไม่จุใจอยู่เหมือนกันพูดมากยิ่งมั่วมากแต่สำหรับข้าพเจ้าชอบคำแปลอยู่คาหนึ่งที่ถูกใจที่สุด และคิดว่าตรงกับความหมายของคำว่ามงคลอย่างยิ่งคือคำว่าทางก้าวหน้าคำว่ามงคล น, นั้นถ้าเราแปลว่าทางก้าวหน้าเป็นเหมาะเจาะที่สุดไม่เสียพี่เสียน้องสับบาลีเดิมก็ไม่เสียคำแปลก็อมความได้หมดและประการสำคัญถูกใจคนสมัยใหม่ด้วยตกลงเป็นคำขาดว่า มงคลก็คือทางก้าวหน้านั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นเลยคนสมัยนี้เป็นคนฝ่ทางก้าวหน้าอยู่แล้วอยากก้าวหน้าแม้แต่ฝรั่งมังค่าเขาคิดทำอะไรได้สำเร็จเป็นความก้าวหน้าเราก็ตื่นเต้นและชื่นชมยินดีก็ความก้าวหน้านั่นแหละเวลาพูดเป็นภาษาตำราเราพูดว่ามงคลอย่าไปคิดอย่างอื่นเลย หอสุวรรณก็คือหอทองนั่นเองการสแสวงหาทางก้าวหน้านั้นไม่ใช่เพิ่งจะทำกันในยุคนี้เท่านั้นไม่ใช่แต่คนยุคนี้ที่อยากก้าวหน้าโปรดสังเกตดูในเรื่องมงคล น, นี้ก็แล้วกันที่ว่าชาวชมพูทวีปถกเถียงกันว่าอะไรเป็นมงคลเป็นเวลานา น, านถึง12สองปีก็หมายความว่าการตื่นตัวที่จะก้าวหน้าของคนเรา ได้มีมาแล้วในอดีตนานกว่าสองพันห้อปีแล้วไม่ใช่คิดว่าจะก้าวหน้าแต่คนสมัยนี้และลองเปรียบเทียบกันดูสิว่าความคิดก้าวหน้าของใครจะแนบเนียนกว่ากันขอพูดฝากไว้ตรงนี้อีกนิดเถอะว่าความคิดที่จะก้าวหน้าของคนสมัยก่อนนั้นเขาคิดกันรอบครอบมากถึงกับอภิปรายกันอย่างแตกหักทีเดียว คนสมัยก่อนก้าวหน้าไปช้าๆแต่เป็นการก้าวที่มั่นคงไม่เหมือนคนสมัยนี้พอคิดจะก้าวหน้าก็หาแต่ทางลัดบางคนริสูบบุหรี่เพื่อจะเข้าสังคมกับคนอื่นให้ได้บางคนริดื่มสุราจะได้หาเพื่อนฝูงง่ายบางคนริสะพายกล้องถ่ายรูปหาเที่ยวถ่ายคนนั้นคนนี้ ทั้งที่ตัว เ, เองยังไม่มีปัญญาแม้แต่จะหาเงินซื้อฟิล์มได้เองทั้งนี้เป็นการเสาะแสวงหาทางก้าวหน้าทางนั้นน่านับถือความพยายามแต่น่าเสียดายที่ใช้ความพยายามด้วยการเดาเอาเองผลที่สุดเลยก้าวผิดๆถูกๆก้าว s สีส่ s ห้าตกห้วยตกเหวไปเลยก็มีมากน่าเสียดายจริงๆถ้าการเดาหาทางก้าวหน้าเช่นนี้ ทำกันเมื่อ 2,500 ปีก่อนโน้นคือสมัยที่ชาวชมพูทวีปกําลังถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่ก็ไม่สู้จะน่าคิดอะไรนักเหมือนคนเดินทางบุกป่าดงในสมัยที่ถนนหนทางยังไม่มีก็ไม่มีใครตำหนิติเตียนแต่เดี๋ยวนี้ทางก้าวหน้าที่ถูกต้องแน่นอนพระพุทธเจ้าได้สอนไว้แล้วเป็นคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งหัวข้อทั้งเงื่อนไขมีไว้พร้อมแล้วเมื่อถนนขนทางที่ตรงและปลอดภัยที่สุดมีผู้ตัดไว้แล้วใครยังเดินบุกป่าฝ่าดงอยู่อีกถึงถูกเสือกัดตายคนทั้งหลายก็ไม่อยากเห็นใจโกรดแล้วแต่จะคิดดูรวมความอีกครั้งว่ามงคลก็คือทางก้าวหน้านั่นเองในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลไว้38ข้อเรียงลำดับในทางปฏิบัติไว้อย่างเหมาะเจาะหมายความว่าชีวิตจิตใจของคนเราคนหนึ่งหนึ่งนี้สามารถจะก้าวหน้าไปไกลที่สุด38ชั้นและเป็นอันสุดทางแค่นั้นขอให้มาศึกษาทางก้าวหน้าต่อไปคำว่ามงคลไม่ใช่คำล้าสมัย และหนังสือบทประพันธ์ของข้าพเจ้าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แกงบวนอย่างที่บางท่านคิดหนักใจ